ก็าการที่เราปฏิบัติแล้วทำด้วยความเข้าใจมันก็เหมือนที่เราทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้วมันก็จะก้าวหน้าในการปฏิบัติก้าวหน้าในการเรียนรู้และความก้าวหน้านันก็จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จากชีวิตที่มันเคยเป็นทุกข์ก็ ทุกน้อยลงจากชีวิตที่มันเคยโกรธหงุดหงิดก็หงุดหงิดน้อยลงหรือไม่โกรธไม่หงุดหงิดเลยจากชีวิตที่มันฟุ้งซ่านมันก็จะลดความฟุ้งซ่านลงจากชีวิตที่มันเคยพูดมากคุยมากมก็จะคุยน้อยลงจากชีวิตที่ไม่มีระเบียบมันก็จะมีระเบียบมากขึ้นจากชีวิตที่มันทะเยุทะยาน ก็ทุ่ยทยานน้อยลงมุจการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปแล้วด้วยความไม่เข้าใจมันก็ฝืดก็ฝืนเกิดปฏิคะหงุดหิดไม่ยินดีไม่พอใจต่างๆภาวะเหล่านี้ก็จะขึ้นมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินั้นความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พุทธเจ้าท่านเลียงไว้เป็นันดับหนึ่งเลยทีเดียวหรยกว่าเป็น สมาธินะเรียงไว้เป็นลบหนึ่งด้ความเข้าใจที่ถูกมันจะทำอะไรมันก็ง่ายมั่งคยงจิตตามมาก็ง่ายหมดเพราะเกิดจากองค์ความเข้าใจถูกเพราะนั้นในวิธีการหวพอทีนเนี่ยท่านจะทำความเข้าใจบ่อยๆเลยทีเดียวมุงทีวันละสามเวลาตอนเช้าาตอนฉันบางทีก็ หลังฉันหรือก่อนฉันตอนเย็นเพราะนั้นในวิธีการโคดเฮนจะคนอยู่ไปได้เร็วปฏิบัติไปได้เร็วมีกิริยนมิตรเยอะทีเดียวนะเพราะว่าเรามีการศึกษาทำความเข้าใจการเป็นประจำไม่ทำไปดุมๆ ด, ด, ดุยๆแบบไม่รู้นั่งหลับตาไป ไปคิดไปฝันไปสงบไปโดยที่ไม่เห็นอะไรแจ้งชัดว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ข้ามพ้นความสงสัยไม่ได้ปัญญาก็ไม่ฉะฉานไม่สว่างขมุขมัวไปอย่างนั้นก็ทำให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเวทนาที่เราสวตนเช้าวันนี้จะพูดถึงเรื่องเวทนาเรื่องจิตรูปกันไป อันนี้เพื่อที่จะนำไปเป็นหลักปฏิบัติในทุกๆขณะที่เราลงมือซึ่งมันก็เป็นตัวบทที่ท่านตั้งเอาไว้ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติแต่ที่เราถือเป็นทฤษฎีก็เพราะว่าเรานาสับนาแสงนาหลักการขั้นตอนมาเรียงเขาเรียกเป็นทฤษฎีแต่เป็นภาคปฏิบัติก็พูดถึงสภาวะ พูดถึงสภาวะเช่นเราปรุงอาหารเนี่ยเราอาหารนี่ประกอบอะไรบ้างเราก็จะบอกออหลักอาหารทําอย่างนั้นอย่างนี้ประกอบสิ่งนั้นสิ่งนี้วิธีปรุงวิธีออสัดส่วนเท่าไรพอดีนไนที่เทฤษฎีบทแต่ภาคปฏิบัติคือก่อนที่เรารับทานอาหารนั่นแหละรับทานอาหารภาคปฏิเวทก็คือเราอิ่มจากการรับทานอาหารดังนั้นหลักทั้งสามอย่างถึงเกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วในช่วงเช้าเนี่ยพูดถึงสวดถึงเรื่องเวทนานุปัสนาซึ่งได้กล่าวหลายครั้งเนะี่ยตัวเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นการรับรู้อารมณ์สวยอารมณ์บริโภคอารมณ์กินอารมณ์รับอารมณ์มไม่ใช่คำว่าสวยเราไม่ใช่คาว่าสวยจิต พอสวยอารมณ์นะคือหมายความว่าอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยเวทนาต้องรับรู้หมดว่าจะชอบหรือไม่ชอบเฉยเฉยจะดีหรือไม่ดีเฉยเฉยจะสุขจะทุกข์จะเฉยเฉยจะไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเฉยก็ก็ต้องรับรู้หรือว่ารับเข้าไปกินเข้าไปบริโภคเข้าไปเรียกว่าสวยนะทีนี้ในการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ย เราต้องการเกี่ยวข้องวิปัสสนาแบบไม่เสวยนะท่านใช้คำว่าสักแต่ว่าคือสักแต่ว่านี่คือคือไม่รับเข้าไปไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับแต่ว่าเป็นการรู้มันตรงนี้คือที่เราจะต้องทำให้เป็นวิปัสสนาทีนี้บางอย่างเราปฏิเสธด้วยกาย บางอย่างปฏิเสธด้วยวาจาบางอย่างปฏิเสธด้วยจิตบางอย่างรับด้วยกายบางอย่างรับด้วยวาจาบางอย่างรับด้วยจิตแต่เราเรารับเราเวยมันโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ชอบเราก็าเดินหนีถ้าเราชอบเราก็เข้าใกล้ถ้าเราเฉยเฉยคือไม่เข้าใกล้หรือไม่เดินหนีอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นอันนี้คือเวทนาเป็นตัวบงการขั้นพื้นฐาน ที่เราเองก็ไม่รู้เท่าทันเพราะเนื่องจากว่าเรายัางไม่แยบขายพอที่จะรู้เท่าทันเราก็ต้องพูดต้องทําต้องคิดไปตามอาการของเวทนาทีนี้ในตัวเวทนาในมันมีสองส่วนเวทนาที่เป็นรูปและเวทนาที่เป็นนามเวทนาที่เป็นรูปทันเพ่งมาที่ตาหูจมูกลิ้นกาย รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบกันก็ให้เกิดความรู้สึกแล้วรับอารมณ์นั้นเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเรายัางไม่ได้เจริญสมถะไม่ได้เจริญวิปัสนาเราก็ยังเสวยอารมณ์ที่รับเข้ามาเต็มร้อยเปอร์ซ็นแต่ผู้ที่เจริญสมถะเป็นแล้วก็อาจจะสวยเวทนาสักหสิเอร์ซอีกอีก 50% อร์ซก็คือการบังคับกดข่มและกดทนเรา แต่ถ้าคนไหนที่จเจริญวิปัสสนาได้ห้าสิบเอร์เซก็จะสเสวยแค่5้าสเซตหรือสเสวยแค่ย่สรซรับรู้จ็ดสิบเหรือแปดิเซตแหละแต่คนไหนจเจริญวิปัสสนาได้ถึงร้อยเปเซ็ก็จะสัตว์รู้เท่านั้นไม่รับไม่มปฏิเสธรับรู้นะ เรียกว่าปกติตัวนี้เราต้องการไปถึงจุดนั้นนะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเวทนาทางกายก่อนเพราะมันหยับหย า, ยาเวทนาทางกายมันก็มีสามระดับทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้แยบคลายเราก็จะเห็นชัดอย่างระดับต้นง่ายๆเนี่ยเรานั่งหนีชั่วโมงในห้านาทีสิบนาทีแรกเรารู้สึกสบาย หรือเราเปลี่ยนอิเดียบทใหม่ๆแล้วก็รู้สึกสบายนี่เรียกเป็นสุขเวทนาแต่ถามว่าสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงพอเวลามันเปลี่ยนไปหนาทีสินาทีเวทนาก็กลายเป็นเวทนาที่ไม่สุขละกลายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ถ้าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เรายังไม่ได้สติไม่จัดการไม่ถูกเวทนาตัวนี้ก็จะเป็นทุกข์มากขึ้น นี่ระดับหยาบขึ้นนี่เรียกว่าทุกขเวทนาระดับเข้มทุกขเวทนาระดับกลางและทุกขเวทนาระดับระดับอ่อนถ้าเป็นทุกขเวทนาระดับอ่อนนี่เรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาก็คือทุกขเวทนาระดับอ่อนอ่าคือมันทนได้ง่ายเรียว่าสุขก็ว่าทนได้ง่ายต่างก็ต้องทนสุขก็ต้องทนทุกขก็ต้องทนแต่อันไหนทนได้ง่ายเรียกว่าสุขอันไหนทนได้ยากเรียกว่าทุก ถ้าทุนนั่งไปเราทนไม่ได้ทนได้ยากเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนไปปับ๊บมันทนได้ง่ายขึ้นก็เริ่มวัยสุขแต่เนื่องจากเวทนามันก็เป็นเวทนาที่ยังอยู่ภายใต้อานิจจังทุกขังนาตาทีนี้ตัววิปัสนาหรือตัวเคลื่อนไหวเขาไปเกี่ยวข้องกับเวทนาอย่างไรเขาไปเกี่ยวข้องตรงที่ว่าในขณะที่เราปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะมีความ สังเกตถึงการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของกายระดับมีสามระดับเหมือนกันการเคลื่อนไหวของกายระดับกลางการเคลื่อนไหวระดับละเอียดระดับกลางระดับหยาบการเคลื่อนไหวของระดับร่างกายระดับละเอียดคือสิ่งที่เรามองมาเห็นเช่นอะไรการเคลื่อนไหวของลมเข้าออกการเคลื่อนไหวของชีพจรการเคลื่อนไหวของเลือดลมต่าง การเคือไหวของเซลล์นะนันนี่นี่เรามองไม่เห็นถ้าหากว่าเราไม่ประณีตพอเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะมารู้ระดับเวทนาระดับกลางระดับอยากเท่านั้นระดับต้นเราเนื่องจากเราไม่ค่อยได้เฝ้าดูไม่ค่อยพิจารณาอเรามาดูระดับกลางก็ต่อเมื่อเวทนานะั้นมันเกิดหนักเกิดตึงขึ้นมาถ้าถามว่าทําไมมันจึงตึงมันจึงหนัก ก็เพราะว่าการเคลื่อนไหวระดับละเอียดนั่นเองการเคลื่อนไหวของเลือดของลมมันเคลื่อนไหวไม่สะดวกมันก็ก่อให้เกิดตึงเช่นเรานั่งท่าใดท่าหนึ่งทับหนักๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตึงตรงนั้นทาไมจึงตึงละ่ะเพราะเลือดลมเขาเดินไม่สะดวกเพราะเขาไปบล็อกเราไปบล็อกมันไว้พอเราเปลี่ยนทีย็บปวั๊บเลืลมเดินสะดวกความตึงความเจ็บมันนั้นก็หายไปนะเพราะฉะนั้นพอพ อ, พอเรา รู้จักการเคลื่อนไหวแบบละเอียดเพราะการละเอียดของกายเนี่ยพอเราแก้ไขด้วยการเปิดทางให้มันนะพอเปลีย่ยนนิยบตรปับ๊บแค่ยขยับนิดเดียวอะ่ะอาการของเน็บของหนักตัวนั้นก็หายไปสังเกตไหมบางสวนค่ ะ, ะคือต้องต้อ ง, องการศึกษาวิปัสสนาเนี่ยต้องละเอียดขนาดนั้นนะจะดูอะไรผุนๆนี่ไม่มีทางเลย ปฏิบัติไปร้อยวันพันปีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากปัญญาขั้นละเอียดเราไม่มีแต่ปัญญาขั้นละเอียดฝึกฝนได้ฝึกฝนจากอะไรฝึกฝนจากการช่างสังเกตวา่าเอ๊ะทำไมนั่งตอนแรกมันสบายเนะี่ยเพราะนั่งไปสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่สบายแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเพราะวาเสีย์ทุกเสียวมันต้องหมุนต้องเคลื่อนต่อเวลาในขณะที่มันหมุนมันเคลื่อนนี่ก็พอให้ดินธาตุดินน้ําอะไรผสมหมุน ตลอดชีวิตมันจึงเกิดมันจึงอยู่ได้แต่ถ้าหากกระทั่งเหล่านี้ไม่หมุนไม่เปลี่ยนไม่เวียนไม่วนไปนชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นการมีชีวิตอยู่คือการมีด้วยการเคลื่อนไหวเราก็ใช้การเคลื่อนไหว้ระดากบกลางหยาบระดับละเอียดกลางหยาบของร่างกายมาเป็นแก่ที่ตั้งของการเรียนรู้ก่อนสําหรับผู้ปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจนะคือหมายความต้องเริ่มต้นเสมอ อย่าคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติเก่าเล้วจะไปรู้ทําไมเรื่องแบบนี้ขี้ผงง่ายอย่าไปคิดทีเดียวเพราะทุกอย่างนั้นเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้ไม่ว่าเก่าว่าใหม่ก็ตามแต่ว่าเราจะมีศรัทธามีความใส่ใจมีความตั้งใจแค่ไหนที่จะศึกษาจ ะ, จะทำถ้าเราจะศึกลักที่จะศึกษาจะทำแล้วเราจะต้องรู้รายละเอียดสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะมาเองอตอกย้ำเรื่องเหล่านี้เป็นประจําไม่ผ่าน คือหมายความว่าไม่ปล่อยให้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านไปอย่างผิวเผินทุกอย่างต้องชัดเจนมันถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าทุกอย่างมั่วๆผ่านไปเอาแต่ว่าสบายฉันก็ชอบไม่สบายฉันก็เปลี่ยนอันนี้ไม่มีทางเลยร้อยวันพันปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันมีเหตุถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเหตุของธรรมอันนั้นถ้าไม่ได้ตรัสถึงผลนะคํายืนยันอันนี้ตรงที่ พระอาจชี้กับท่านอุปติสาหรือภาษาลิบุตรพบกันนะว่าเยธรรมาเฮตุปปปวาเตสั่งเฮตุงทธาคาตูเตสัญจ ja, e ah นะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนว่าพระมหาสมณะคือาศาสนาของเรามีปกติตรัสเสมอว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตนะุเราจะทำสิ่งนั้นให้ดีก็ต้องทำที่เหตุเราจะนั่งนั้นที่เสียก็ทาที่เหตุ เราจะจัดการสิ่งนั้นได้ก็จัดการที่เหตุเห็นไหมเยธรมะเห ต, ตุปปภาวาการเกิดขึ้นของเหตุเตสังเหตุตุงดาถาคาโตอาวุธิเจ้าท่านตรัสเหตุของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเหตุของเวทนาคืออะไรเหตุของเวทนาทางจิตก็มาจากเหตุของเวทนาทางกายแต่เหตุเวทนาทางกายก็มาจากอะไรสุขเวทนาที่เราสวด สุขเวทนาที่มีอามิตรและสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเนี่ยทีละส่วนหมายความว่าหมายความว่าความรู้สึกสบายที่มีอามิตรหมายความว่าความรู้สึกสบายบางอย่างเนี่ยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสุขเวทนาเช่นเราทานอาหารอร่อยอาหารเป็นอามิตรใช่ไหม ความรู้สึกอร่อยเนี่ยเป็นสุขเวทนาใช่ไหมมันมีอาหารเป็นอมิตรเราได้เห็นภาพแล้วรู้สึกพอใจเห็นดอกไม้สวยเห็นาภาพ ส, สวยๆรู้สึกพอใจเกิดสุขเวทนาอะไรเป็นอมิตรของมันอะไรเป็นเห ย, ย่ออมิตรแปลว่าเหยื่อสามิสังนะั่นนั้นแปลว่าเหยื่อหรืออมิตรของมันคืออะไรก็คือรูปที่เราเห็น รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอามิ t h เป็นเหยื่อเป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาถ้าหักเราไปประสบหรือกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นทําด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็แล้วเกิดความพอใจเขาแลเกิดสุขเวทนาที่อาศัยเหยื่อคืออาศัยว่าตากระทบรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นเป็นเหยื่อบางอย่างมันบอกว่า น, นิรามิสัง เวทนังเวทนามีติประชับางอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจบางครั้งเราเกิดคลืม่มออกคลื่มใจสบายเป็นพิเศษทั้งๆที่ตาเขาไม่ได้เห็นรูปสวยหูก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะจมูกก็ไม่ได้กินหอมรสก็ไม่ได้อร่อยสัมผัสก็ไม่ได้นิ่มนวลอะไรแต่รู้สึกสบายใจเป็นพิเศษตรงนี้คือเรื่อสุขเวทนาที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อเป็นนิลามิสังไม่ต้องอาศัยอามิตรไม่ต้องอาศัย ลูกเสียงกีรดมากระทบมันเกิดความสุขใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าสุขเวทนาที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อมีไหมบางครั้งเพราะมันคลุมออกคลุ้มใจสบาย อ, อกสบายใจตรงนี้เขาเรียกว่าเวทนาที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาถ้าคนปฏิบัติสมถวิปัสนาสุขเวทนาที่นี้เกิดบ่อยใช่ไหม ความสบความสุขความคลื้มอยู่ในใจโดยที่ไม่ต้องอาศัยกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยพราะฉะนั้นความสุขระดับนี้จะมีเฉพาะผู้ปฏิบัติสมถวิปัสนาสำหรับชาวบ้านทั่วไปถามว่าความสุขระดับนี้เขามีไหมมีเมื่อการแต่น้อยมากแต่ความสุขส่วนใหญ่เขาจะอาศัยเหยื่อท่านั้นคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยเหยื่อ แล้วคำว่าเหยื่อคือรูปเสียงกิริสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เ ท, ที่ยงเพราะนั้นมันก็เป็นเหยื่อที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเปลี่ยนแปลงเป็นเหยื่อที่ไม่มีสาระมันก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ใช่ั้มเพราะนั้นคนที่ไม่เข้าใจวิปัปสนาไม่เข้าใจสทันั้นเป็นทุกลูกเดียวแต่จะเป็นสุขว่างก็โชครู้โชคยา เดี๋ยวมก็เปลี่ยนไปเป็นทุกครั้งเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าตาบางครั้งความทุกข์เอเวทนาความรู้สึกไม่สบายก็อาจัยเ่เยอะเช่นตาเราไปเห็นอะไรที่คนนี้ไม่ถูกชะตาไม่ชอบหน้ารู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์ละอันนี้ก็อาจใสรูปเป็นเยอะเสียงโอ้ฟังเราไม่อยากฟังเลยฟังแล้วอยากจะเดินหนีฟังแล้วไม่อยาก อันนี้ก็เป็นทุกข์เพราะอาศัยเสียงเป็นเหยื่อเสียงโอ้เพลงตัวนี้ไหมเพอะโอ้คนนั้นพูดไม่ดีโอ้คนนั้นพูดไม่ถูกใจเสียงตัวนั้นกลายเป็นเหยื่อที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาทั้งหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันอะไรก็ตามที่ไปทุบเราเกิดรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจไม่สุขใจไม่สนุกไม่เพลิดเพลินไม่จำเริญใจไม่ไม่สบอารมณ์ตัวนี้เป็นทุกขเวทนาที่อาศัยเหยื่อ ทีนี้มันมีอันสุดท้ายอัทุกขมสุขเวทนาที่มีเหยื่อที่บางครั้งเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกีดรถสัมผัสเราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกสุขรู้สึกเฉยเฉยมีใช่ไหมเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยแต่เขาว่าเฉยเฉยตรงนั้นมันไม่ใช่เฉยเฉยเพราะมีสติกำหนดรู้ว่าสัตว่านะแต่มันเป็นเฉยเฉยแบบคนทั่วไปก็มีใช่ไหม ตาเห็นไม่จําเป็นต้องชอบเสมอไปไม่ชอบไปต้องชังเสมอไปหูได้ยินไม่จำเป็นต้องชอบหรือไม่จำเป็นต้องชังเสมอไปคันข้ามเฉยๆแต่เฉยๆแบบไม่รู้ไอตัวเฉยๆแบบไม่รู้เขาเรียกวอทุกขมสุขเวทนาถ้าตัวเฉยๆแบบรู้เขาเรียกอุเปขาเพราะนั้นบางคนก็บอกอุเปขากับอุทุกขมสุขเป็นอันเดียวกันไม่ใช่นะอุทุกขมสุขเวทนาหมายถึงโมหะเฉยๆแบบไม่รู้ กับเฉยๆแบบรู้เฉยๆแบบรู้นี่เป็นองค์ของปัญญาเรียกว่าอุเปคขาถ้าเป็นองค์สุดท้ายของพุทธชงเจดใช่ไห ม, มนี่เราเปิดประตูเราไม่ปิดประตูแมงวันเข้ามารบกวนอันนี้ก็เราเป็นเหตุตรงที่เราเปิดประตูผลมันคือทําให้เรามีรําคานกับแมงวันต่อมนันนี่ทุกอย่างมีเหตุดังนั้นเฉยๆแบบรู้กับเฉยๆแบบไม่รู้คือความต่างกันระหว่างอุเปคขากับอทุกามสุขเวทนา บางคนบอกอุเบกขาเวทนาถูกไหมไม่ถูกอุเบกขาไม่ใช่เวทนาอุเบกขาเป็นองค์ของปัญญาแต่รู้สึกเฉยเฉยโดยที่ไม่รู้เท่าทันเรียกว่าปิดอุเบกขาอันนี้เป็นองค์ของโมหะในองค์ธรรมที่เราสวดเราไม่ใช่ผ่านๆต้องรู้ชัดลงไปนะอะไรเป็นอะไรแต่นักปฏิบัต ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลุงลึกแหลนและละเอียดเอ๊ะปฏิบัติจริงทํามาจริงสมธาธิทำมาตั้งนานวิปัสนาฉันก็ทํามาตั้งนานแต่ถ้ า, า ก, กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันก็ยังพอใจไม่พอใจอยู่ฉันก็ยังชอบไม่ชอบอยู่ฉันก็ยังปฏิฆะงุดหงิดวุ่นวายอยู่ฉันก็ยังเพ้อเจอ้อฟุ้งซ่านอยู่พก็เพราะไม่แยบคายในสิ่งเหล่านี้แต่ผู้แยบคายในสิ่งเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มองอะไรด้วยใจด้วยความสงบ ทุกอย่างมีความหมายในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทุกเวทนาอัุกมสุขเวทนาเยอะๆสามอย่างใช่ไหมพอไปแยกเป็นสุขเวทนาที่อาศัยเยื่อก็มีสุขเวทนาที่ไม่อาศัยเยื่อคความสบายใจที่อาศัยการได้กระทบก็มีนะสันิทนัศนสัพปิคาธรร ม, มานว่า ที่เรามาสวตเรตีบทบาลีไม่แตกไงเราก็ถึงไ ม, ไม่ทีนี้ความบางครั้งความรู้สึกสบายกายสบายใจไม่ต้องอาศัยการกระทบก็มีขอแล้วนิรามิตรบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยเป็นอะไรถ้าเฉยเฉยนั้นถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทาันเรียกว่าอุเปขาถ้ามีสไม่มีสติรู้ ไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเรียกว่าโมหะเพราะนั้นความเฉยๆของคนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องวิปั ส, สนาเป็นอะไรทั้งนั้น<ม>เป็นโมหะเป็นอวิชชาเพราะนั้นในความเฉยๆของคนทั่วไปจึงไม่มีความหมายในแง่ของกรรมัตานเพราะมันเป็นญาณวิปปยุตไม่เป็นญาณสัมปยุตคือไม่ประกอบด้วยความรู้ไม่ประกอบด้วยปัญญานะตรงนี้เราชงต้องต้องลงรายละเอียดเหล่านี้นะ ถ้าเราปฏิบัติไม่คำนึงเรือะไรเลยอย่างนี้ก็โลไปเลมาโอ้เข้าจิ้งเข้าเก็บอารมณแต่เวลาออกมาเลาวเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่าไม่มีความแยกขายดังนั้นที่ได้กล่าวมาวันก่อนว่านอกจากเราได้พบครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้แล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากท่านแค่ห้าสิบเปอร์ซ็น์นะแต่ห้าสิบเปอร์ซ็นต์เราต้องมาสร้างของเราเองคืออะไรโยนิโสมนสิการคือความละเอียดความแยกขาย มอามาเน้นมากในเรื่องนี้แต่น้อยคนที่จะเข้าใจเพราะนิสัยของเราไม่ได้ปลูกฝังมาเรื่องแยบขายเท่าไหร่นิสัยของเราก็เรียกว่าจดจบจำจำเชื่อเชื่อไปตามตำร า, าตามเพื่อนตามครูบาอาจารย์ไปเรื่อยแต่ว่าที่จะมาลงลึกรายละเอียดแยบขายด้วยเองอย่างจริงจริงจังๆเนี่ยมีน้อยมากนะแต่ถ้าคนไหนพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาได้คนนั้นก็ก้าวหน้านั้นนะไม่ใช่คนที่ฟังธรรมทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันทั้งหมดบางคนเข้าใจผนื่น บางคนเขเข้าใจละเอียดบางคนเข้าใจแล้ว เ, เปลี่ยนชีวิตได้เลยเนย่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระอัญญากุธรรัญญาแค่ไว้กี่ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตได้เลยเป็นพระสุดาวันแต่พระอนุนท่านฟังไว้เล่นๆทุกวันน่ะฟังเพลินยี่สิบห้าปียังไม่ไปไหนเลยอะเห็นไหมเนี่ยอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์อื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วเราจึง ประมาทก็ได้แค่ 50% ของเราเราต้องละเอียดไว้ก่อนแต่ถ้าความละเอียดและเออนี้ไม่เพียงพออาศัยซักถามอาศัยสนทนาอย่าไปเกรงกลัวเพราะเราไหนๆก็อุทิศมาเพื่อที่จะปฏิบัติในทางนี้แล้วเนี่ยแค่เราสละอัตตาตัวตนเพื่อสักถามเพื่อพูดคุยสนทนานี่ทําไมเราจะสละไม่ได้เราจะอมภูมิไว้ทําไมต้องสละตัวนั้นปัญญาตัวนี้ถึงจะเกิด เอ๊ที่ว่ามันละเอียดละเอียดอย่างไรละเอียดระดับกลางของกายเนี่ยแบบไหนละเอียดระดับหยาบทางกายเป็นแบบไหนท่านก็บอกว่าเออละเอียดละเอียดระดับกายสุขเวทนาระดับกายก็คือสบายอระดับกลางก็คือไม่สบายขึ้มานิดหนึ่งระดับหยาบคือมันไม่สบายจริงๆจาเป็นแล้วท่านี้อยู่ไม่ได้และต้องเปลี่ยนและต้องพลิกแล้วะนะแต่บางครั้งเข้ามอะไรไม่ไม่ใช่ว่าจะพลิกจะเปลี่ยนบ่อยๆนะ ต้องไห้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันชัดๆบางคนพลิกเปลี่ยนลูกเดียวเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ชัดระดับละเอียดก็เห็นไม่ชัดระดับกลางก็เห็นไม่ชัดระดับหยาบก็เห็นไม่ชัดเมื่อไม่ชัดในระดับของรูปแล้วเนี่ยถามว่านามจะละเอียดเป็นไหมไม่เป็นเพราะนามมันยังไม่มีตัวโตนให้สัมผัสให้ให้สังเกตใช่ไหมแต่รูปยังยังไม่ละเอียดพอเลยเลยแล้วนามจะละเอียดได้อย่างไรตรงนี้สําคัญนะ เพรฉะนั้นในการที่สวดถึงเวทนาเนี่ยความรู้สึกสบายเวลานั่งพอนั่งไปสักพักรู้สึกไม่สบายพอนั่งไปอีกนานๆเขาเอาแค่ตั้งไปสักสามระดับก็แล้วกันนะระดับที่พอสบายเนี่ยสักเท่หละนั่งลงไปปั๊บเนี่ยพอสบายพอทนเวทสบายๆเนี่ยสักกี่นาทีอยู่ส่วรนะห้านาทีชเลยโอห้านาทีถือว่าอีซีแข็งมากนะเอามาแค่สองนาทีก็รู้สึกละ รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายแล้วเนี่ยบางคนได้ห้านาทบาีบางคนสบายได้เจ็ดนาทีบางคนสบายแค่นาทีเดียวพลิกแล้วขึ้นอยู่กับความอ่อนความแก่ของอ e ินทรีย์บางคนอ e ีซีเข้มแข็งสามารถนั่งสบายได้ถึงห้าถึงเจ็ดนาทีบางคนอ e ีซีอ่อนเปลี่ยนบันทุกนาทีหรือบางทีงไม่ถึงนาทีเปลี่ยนแล้วอันนี้เขาเรียกอินซีอ e on, e on, ่อนอีซีทางกายอ่อนก็ขยับเรื่อยๆแต่ถ้าคนในอ e ีซีเข้มแข็งฝึกอดทนดู ก็ได้เยอะหน่อยแต่บางคนนั่งสิบนาทียังสบายอยู่เลยนะอันนี้อีซีอ่อนแข็งไม่เท่ากันแต่เรต้องสังเกตละเอียดนะถ้าไม่สังเกตละเอียดขนาดนั้นโอ้เก็บอารมณ์ไม่มีความหมายอะไแต่ถ้าคนเก็บอารมณ์เป็นแค่สามวันเนี่ยมันจะได้อารมณ์เลยแต่คนเก็บอารมณ์ไม่เป็นสีวันเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรขาดความแยบขาย ครูบาอาจารย์หรือคำสอนพุทธเจ้าจะดีขนาดไหนช่วยเราได้แค่ห้าสเอร์ซแต่5้าสิบเอร์เซนขึ้นอยู่ความแยบคายของเราเองเพราะฉะนั้นในแต่ละแห่งในการเปิดิทธิตอารมมาจะเน้นจุดนี้มากเพราะอันนี้คือจุดที่เป็นกุญแจสำคัญที่เราจะได้อารมณ์พิพัสนาหรือไม่เนี่ยนะคือความแยบคายในเวทนาเพราะเวทนาเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนาม ถ้าเราไม่แยบขายในเวทนาแล้วเนี่ยรูปก็ไม่แยบขายน้ำก็ไม่แยบคายเมื่อเราไม่แยบคายเราก็ไม่เห็นรายละเอียดของสัจธรรมไม่เห็นต้นตอของธรรมเมื่อให้ต้นตอของธรรมแล้วเราก็จะไม่เกิดปัญญาที่จะเกิดนิพพานในการปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าไปยึดเรื่องอุปาทานเราจะปล่อยวางภาวะที่เป็นอวิชชาตัญหาอุปาทานไม่ได้เพราะไม่เห็นต้นตอที่แท้จริงของมัน เหมือนยมจะน้ำทําเท้าเนี่ยรู้ว่ามันําเท้าเพราะไปเหยียบทีลรมันแปลกทุกทีเนี่ยแต่พอไปหามันไม่รู้ว่าจงไหนหาไม่เจอหาฝุ่นฝนนะนะทีนี้จะหาไงให้เจอต้องอาใส่รายละเอียดแล้วต้องไฟให้สา ว, ว่างแต่บางน้ำเนี่ยมันใสนะอย่างกระดูปลาเนี่ยใสเหมือนเนื้อเราเลยใช่ไหมหาไม่เจอว่ามันเข้าตรงไหนมันก็มันไม่ใช่เปิดแผลใหญ่ให้เห็นนะใช่ไหมแผลมันเล็กมากเพราะมันเป็นบางครั้งไอ้คนที่กินปงกินปลาแล้วก้างเล็กเลกมัน เรียร่าใช่ไหมเราไปหยียบเอาเอามาเจอหลายครั้งเอ๊ะทำยังไงไม่รู้มันเข้าตรงไหนมองก็ไม่เห็นมันเข้าไปลึกแล้วอาศัยวิธีโบราณวิธีโบราณทําไงเอาขามิ้นมาทามาทาตรงนั้นนะ่ะพอขมิ้นมาทาแล้วมันจะเห็นพราะขมิ้นมันเป็นสารอะไรบางอย่างที่ทําให้ไอตรงนั้นมันเกิดใสขึ้นมาเนื้อของเราจะเนื้อของเราจะขาวแล้วจะเห็นจุดที่มันเข้ามันขยายอะ่ะ อันนี้คือวิธียูมแม่เคยบอกเออยู่ไม่รู้ปักตรงไหนมันเหยียบทุกทีมันแป๊บทุกทีเลยแต่มันไม่รู้เข้าตรงไหนเอาขมินมาทาดิล้างเท้าให้สารเอาขมินมาทาแล้วปัดๆออกแล้วก็ดูมันจะเห็นเลยเห็นไต้องต้องแยียบคลายขนาดนั้นนี่ขนาดทางฝ่ายรูปนามนะทางฝ่ายรูปเฉยเฉยต้องแยบคลายขนาดนั้นถึงจะเห็นนะบางอย่างมันละเอียดเหมือนกันอารมณ์บางอย่างที่เข้ามาสู่จิตของเราเนี่ยที่เป็นสุขกับเวทนาบางครัง้งต่อไปนี้เมื่อกี้มาพูดถึง สุขทุกทุกข์หมาสุขของเวทนาทางกายนะทางรูปนะต่อไปนี้จะเข้าทางนามความสบายใจอยู่ได้นานไหมพอความสบายกายเนี่ยเรารู้ได้ว่านาทีสองนาทีมันมันตัวเป็นหนักตัวหนื่อตัวเหน็บตัวปวดตัวยอกเนี่ยเป็นตัววัดใช่ไหมถึงความสบายไม่สบายใช่ไมแต่ที่จิตของเราเนี่ยอะไรเป็นตัววัดอะไรเป็นตัววัดอารมณ์ใช่ไหมหรือสติตรงนี้แหละ ต้องชัดนะรูปเนี่ยเราพอวัดได้คือตัวหนักตัวหนืดตัวเหน็บตัวเจ็บตัวปวดเป็นตัววัดว่าอยากกลางหรือละเอียดใช่ไหมถ้าอยากมันความเม่ทนไม่ได้เราเปลี่ยนลอะอถ้าสบายนี่ก็ไม่ต้องทนสบายสบายแต่ถ้าปานกลางนี่รู้สึกนิดนิดหน็บตรงนี้นินดเหน็บตรงนี้หน่อยปวดตรงนี้นิดคันตรงนี้หน่อยหนักตรงนี้รูมันไปอ่พอทนได้เป็นระดับกั ทนไม่ได้ระดับหยาบแลย้ยนะต้องเปลี่ยนแล้วไม่ไหวเหน็บเหลือเกินอันนี้ระดับหยาบพอเปลี่ยนปับ๊บความสบายก็เกิดขึ้นหน่อยใช่ไหมทีนี้จะสบายได้นานไหมเนี่ยเ น, นี่ยเวทนาคือความรู้สึกทางกายเป็นตัววัดว่าอิซีของเราอ่อนหรือแข็งถ้าอิีของเราอ่อนพอสักพักอาชันก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้าอิซของเราปานกลางอ่อนได้นานหน่อยห้านาทีเจนาทีถึงรู้สึกค่อยเปลี่ยนบางคนอิซีเข้มแข็งมากสิบนาทีถึงเปลี่ยนพอเขาทนได้อันนี้ก็ ตัวเวทนาก็จะเป็นตัววัดอินทรีย์ด้วยคือการปรับอินทรีย์แล้วอินทรีย์เราอ่อนเนี่ยปรับให้แข็งได้ไหมได้ก็คือทนมาหน่อยไอการทนต่อภาวะที่มั น, นเขาเรียกว่าการปรับอินทรีย์ให้เข้มแข็งเห็นไหมอันนี้คือรายละเอียดภาคปฏิบัตินะนแง่ของรูปเอาที่นี้มันในแง่ของนามความพอใจเราจะให้มันอยู่นานหรือไม่นานเนี่ยมันไม่มีเครื่องวัดเหมือนกาย สมมุติว่าอะไรฉันอพอใจในเรื่องเนี้ยเราจะรู้ยังไงว่าความพอใจที่นั่งช่างจังหวะเนี่ยรู้สึกพอใจสนุกตรงนี้ไม่มีเครื่องวัดตราบใดที่มีความรู้สึกพอใจความรู้สึกพอใจที่มีสติกับความรู้สึกพอใจที่ขาดสติอ่าตรงนั้น ความรู้สึกพอใจที่มีสติมันจะยั่งยืนได้นานแต่ถ้าเป็นความรู้สึกพอใจที่เป็นความรู้สึกพอใจที่เป็นเวทนาความรู้สึกพอใจที่เป็นวิปัสนาถ้าความรู้สึกพอใจที่เป็นภาวนาเนี่ยมันเกิดจากองค์ของปีติปัจจิิใช่ไหมยสเสื่เ่มยแต่ความรู้สึกพอใจที่มันเกิดเพราะาสัญชาติยาน หรือเวทนาที่เป็นสัญชตาตญาณมันเป็นความรู้สึกพอใจที่เป็นอวิชชาเป็นกามมคุนพอใจไหมกามก็มเปนเรื่องพอใจใช่ไมทั้นนั้นความพอใจชนิดไหนที่เป็นกามความพอใจชนิดไหนที่เป็นปีติและความปีติแบบไหนที่เป็นกามและปีติแบบไหนที่เป็นภาวนานี่มันจึงยากตรงนี้เราเคยสังเกตละเียดถึงขนาดนั้นไหม ถ้าไม่สังเกตละเอยียดขนาดนั้นนี่มันไม่สามารถจะรักษาระดับทางความพอใจบางทีรักษาระดับได้แต่ว่าเป็นระดับที่เป็นกามไม่ใช่เป็นระดับที่เป็นคือเป็นและเป็นฉันชัตยานเช่นเราวันนี้รู้สึกพอใจอากาศดีเหลือเกินสบายใจคลื่นหัวคลื่นใจอ่าพอใจเอาพอใจสายมาอากาศมันร้อนนะหรือไม่ต้องร้อนอนะ่ะพอเดินไปเดินมาอากาศดีวันนี้เอาเดินไปเตะหินเขา้าหวัวมัโป่งเจ็บ ไอ้ความพอใจที่มันเพลิน อ, อากาศเมื่อกี้หายทันทีเลยใช่ไหมกลายเป็นความไม่พอใจที่เอาตีนเอาเท้าไปเตะหินหรือบางทีเดินเดินกลมเพลิน ด, ดีมีใครรู้มาทักทักแบบไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพด้วยความไม่พอใจเกิดขึ้นทีความพอใจเมื่อกี้ก็คุมหายไปเลยใช่ไหมบางทีไม่ต้องอาศัยเหตุทางกายอาศัยจากรูปเสียงกลิ่นรมเพราะนั้นความพอใจที่เป็นสัญชาตญาณมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการกระทบ ถ้าการกระทบนั้นมีสติมีปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันความพอใจนั้นดำลงอยู่ได้เพราะสติปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันนั้นเป็นวิปัสนาแต่ถ้าความพอใจดำลงอยู่ได้เพราะยังไม่มีอะไรไปกระทบแต่พอมีอะไรมากระทบปับ๊บหนักเบาตามน้ำหนักตามดีกรีความพอใจเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่พอใจความพอใจเช่นนั้นเป็นสัญชตาตญาณ เป็นเวทนาเป็นทุกเวทนาดังนั้นการเก็บอารมณ์เนี่ยอามาถึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญการเข้าดีที่เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราไม่มีความแยบขายระดับนี้นะเสียเวลาเสียสุขภาพนะแถมจะได้มีจฉาทิถีอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยนะดังนั้นด้วยความแยบขายในการขยับอามาถึงว่าวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยทาให้เราสังเกตเวทนาได้ง่าย เพราะอะไรเพราะเราทำด้วยการศึกษาไม่ได้ทำด้วยการหวังผลว่าทาสมาธิแบบนี้แล้วจิตมันจะนิ่งมันจะสงบมันจะไดเ้เราไม่ได้หวังผลแบบนั้นเราหวังผลในการศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามองค์ของสติปัฏฐานว่าสมุทยมัยธรรมมาวยธรรมมาสมุทยัยวยธรรมมาที่ที่เราสวดมาเมื่อกี้ อาชาตตาธรรมะพหิทธรรมะอาชัตาาชตพาพหิทธรธรรมะที่เราสวนมาเมื่อกี้ให้สังเกตทั้งข้างในอะไรกําลังเกิดขึ้นให้สังเกตภายนอกอะไรกําลังเกิดขึ้นให้สังเกตทั้งภ า, ายในและภายนอกอะไรเกิดขึ้นภ า, ายในก็คือตาหูจมูกลิ้กายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ น, นี่ภายนอกเมื่อมันกระทบกันแล้วอะไรเกิดขึ้นและอะไรดับไปให้สังเกตแค่นี้อันนี้คือองค์ของการภาวนา ในสติปรฏฐานสูตรนะไม่ใช่บังคับสะกดจิตให้นิ่งให้ดิงให้ดับให้ลึกให้ปานิชไม่ใช่แต่ให้สังเกตว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นเป็นองค์ของวิปัสสนาแต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปสําคัญผิดตรงนี้บังคับจิตให้นิ่งให้ดับให้ดิงให้สงบให้ลึกให้ละปานชอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนานี้เป็นสมถะสมถะจึงไม่สามารถจะนําจิตไปสู่การรุดพ้นได้ไง เป็นชั่วคราวเรียกว่ากดข่มเทววิคขมพระนประหารไม่ใช่สมุชิตประหารดังนั้นในลักษณะของการปฏิบัติเนี้ยให้สังเกตจากหยาไปหาละเอียดเสมอเพราะอะไรเพราะรูปเนี่เป็นฝ่ายหยานามเป็นฝ่ายละเอียดในส่วนรูป นั้นมันก็มีหยาบกลางละเอียดเวทนาหยาบกลางละอียดที่กล่าวมาเมื่อกี้ในฝ่ายนามก็มีหยาบกลางละเอีย ด, ามามยย เ, ยดเหมือนกันความพอใจนิดๆความพอใจมากความพอใจที่สุดความไม่พอใจไม่พอใจนิดๆไม่พอใจมากก็มีระดับกลางละเอียดของมันเฮ้ยสังเกตไหมถ้านักปฏิบัติคอยสังเกตสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอนั้นเขาเรียกได้ทําวิปัสสนาโดยปริยายแล้วแม้จะเขาจะนั่งหรือไม่นั่งก็าตาม คอยสังเกตสิ่งเหล่านี้เสมอร่างกายเป็นไงเลืสังเกตทั้งรูปทั้งนามใส่กันทางกายเป็นไงสบายขณะ น, นี้ไม่สบายขณะนี้จะทนได้ไหมทางจิตใจเป็นไงรู้สึกเศร้าหมองผ่องใสแสบสา ย, สสายฟุง้งซ่านหรือสงบถ้ามัน ส, สงบมันประณีตมันเป็นสุขเวทนาแบบประนีตถ้ามันแสบสายนิดๆอ่าเป็นทุกขเวทนาแบบกลางๆถ้ามันแสสายมากๆเป็นทุกขเวทนาแบบมากๆขึ้น เราจะทำยังไงในฐานะปฏิบัติวิปัสสาก็เข้าไปทุกต้องกําหนดรู้ใช่ไหมเข้าไปรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปวิจัยถึงภาวะที่มันเกิดเมื่อจิตของเราถูกสติสมาธิปัญญาเข้าไปกําหนดรู้วิเคราะห์วิจัยแล้วภาวะที่มันเป็นเวทนาเกิดจากตัณหาอุปาทานมันจะอยู่ไม่ได้มันจะดับไปเพราะภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่มืด แต่สติสมัมถีปยปัญญาเป็นภาวะที่สว่างใช่ไหมมืดกับสว่างมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ฉันใดภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ฉันนั้ น, นทีนี้ไอการภาวะเหล่านี้จะปรากฏตามที่เราต้องการต่อเมื่อเราใช้วิปัสนาเป็นวิปัสนานี่เราจะชํานาญได้ไงก็ตรงใช้อาตาปีสติมาสัมพัโนที่กล่าบมาเมื่อวานแล้วเอาไปสังเกตองค์ของกรรมฐานใ น, ในส่วนในสองส่วนคือส่วนภายนอกส่วนภายใน ไอ้สวนกำลังเกิดขึ้นและส่วนกำลังดับไปอยู่เสมอๆ เ, เวทนาก็จะมีผลในแง่ของการทำหน้าที่เป็นวิปัสนาเข้าไปวิปัสนาไม่ใช่เข้าไปเวทนาถ้าไปเวทนาคือเข้าไปรับไปเสวยใช่ไหมเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์เข้าไปรับเข้าไปกินเข้าไปเสวยพอใจเมื่อพอใจสุขทุกเข้าไปเวทนานี้อันนี้เป็นองค์ของสมถะ แต่ถ้าเข้าไปวิปัสนาคือไปเห็นแจ้งเข้าไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงอยากการละเอียดประนิดรู้ชัดรู้ภาะวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ชัดตรงนี้เข้าไปวิปัสนาแล้วจะอยู่เหนือเวทนาแต่ในด้านร่างกายนั้นบางครั้งเราก็ต้องถ้าขาดสติปั๊บมันก็กลายเป็นเวทนาถ้ามีสติปั๊บมันเป็นวิปัสนา ดนั้นทุกฝีเก้าทุกย่างเก้าทุกการเคลื่อนไหวมันจึงมีความหมายมากสําหรับการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราไม่ละเอียดถึงขนาด น, นั้นเวลาแห่งการเข้ารู้ถึงสัจธรรมเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจก็ยืดออกไปเรื่อยๆความทุกข์ก็กินเวลาออกไปแต่ถ้าคนไหนละเอียดแยบใครขนาด น, นั้นเวลาแห่งความรู้ความเข้าใจก็เร็วขึ้นเวลาแห่งความทุกข์ของความอ่า ไม่สบายกายไม่สบายก็สั้นลงไปเรื่อยๆมันจะมันจะลบกันอย่างนี้นั้นนั้นเองในเวลาของการวิปชีตจึงเป็นเวลาที่สําคัญทุกเม็ดของเวลาทุกขณะของเวลาทุกวินาทีของของเวลาที่ผ่านไปมีความหมายถ้าเราเอาใจใส่ศึกษานะแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ศึกษาก็ดีบางชั่วบางใดอารมณ์บางมาได้ระวบางสงบบางฟุ้งซ่านบางเมื่อยบางเบื่อบางเซ็งบางสลับกันไปซึ่ง แสดงว่าเวทนาเรายังไม่สงบถ้าเวทนาเราไม่สงบนิวรณ์จะลบวนเราเลื่อยไปเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวง่วงสลับกัอยู่งั้นนะแต่พอเราไปเวทนาตัวนี้สงบเพราะเราวิปัสสนามันบ่อยๆเวทนาตัวนี้สงบมันจะเยือกเย็นมันจะสงบมันจะอบอิม่มซาบซ่านมันจะตื่นตัวเราก็ค่อยศึกษามันไป สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้มันคงอยู่ตลอดนะให้มันปีติตลอดให้มันตื่นตัวตลอดไม่ใช่มันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงแต่ให้เราเข้าไปรู้การเกิดการดับของมันเออเมื่อกี้เราตื่นตัวเดี๋ยวนี้เรารู้สึกความตื่นตัวมันมันหายไปนะก็ให้รู้ว่ามันหายไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปหวยหาว่าอยให้มันตื่นตัวแบบเดิมอีกเออเมื่อกี้เราได้ปีติซาบซานอ๋อเดี๋ยวนี้รู้สึกฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องไปเสียใจว่าเอ๊ยทำไมปีติหายไปทําไมฟุ้งซ่านไม่ดอง ก็ให้ไปรู้อ๋อฟุ้งซ่านก็เป็นอย่างนี้เองเมื่อปิติเกิดขึ้นอ้อปิติมันก็เป็นอย่างนี้เองให้รู้ความเป็นอย่างนั้นของมันนะพระพุทธเจ้าท่านใเรียกตัวเองว่าตถาคตไงอใช่ไหมเราตถาคตอย่างเัืนเขาว่าตถาคตคือท่านรู้อะไรให้มันเป็นอย่างมันเป็นน่ะคือไม่ต้องการให้ที่เราจะไปเป็นกับมันแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเออฟุ้งซ่านมันก็เป็นทั้งหมดอย่างนี้ก็รู้มันไป แต่คนเฉยๆพอฟุ้งขึ้นมาพอเบื่อขึ้นมามันไม่ได้ดูอะ่ะมันไปหาเรื่องอื่นทำใช่ไหมอู้ใช่ไห ม, ไ, มได้หลงท่าออกไปเดินเล่นดีกว่าท่าไปทําันนั้นดีกว่าฉันไปร้องเพลงไปกินข้าวไปคุยนี่นั้นเขาเรียกว่าไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้ด่าๆกับมันนะแต่ถ้าหากว่ารู้ว่ามันฟุ้งแตกมันฟุ้งซ่ามันงงงี้ก็ดูมันอยู่ยงั้นแหละไม่ต้องเดินหนีไม่ต้องลุกหนีอ๋อเป็นอย่างนี้เองรู้ความเป็นอย่างนั้นของมัน มันจะสงบหรือไม่สงบรู้ความเป็นอย่างนั้นของมันโดยที่ไม่ต้องเข้าไปผลักไปดันไปเสพไปไปรับแต่รู้ความเป็นอย่างนั้นของมันให้จิตรับรู้ความเป็นอย่างนั้นของมันบ่อยครับท่านจึงใช้คําว่าสักแต่ว่ารู้เขา้าใจเรียน <haw k> คือดูความเป็นอย่างนั้นของมันนะเราจะดูอะไรสมมุติเราเอาละเรานั่งเนี่นะเราต้องการที่จะรู้ความเป็นอย่างนั้นของทุกขเวทนาะถ้าเราเจตนาะที่จะรู้นะไม่ถือว่าเป็นการทรมานตัวเอง เพราะเรามีเจตนาที่จะรู้จะศึกษาแต่ถ้าทุกขเวทนาบีบคั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ไม่ได้วิปัสสนามันแต่อาศัยความโกรธขมลักษณะนี้เป็นอัตตากริมัฏฐานโยคคือทรมานตัวเองแต่ได้อริ บ, บทบางรีย บ, บทืมายมันเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินฉันจะลองไม่เปลี่ยนดูดิมันจะตายไหมบางครั้งเราก็ต้องต้องปรางกิเลสเหมือนกันน ะ, ะรู้ว่ามันจะทนได้ไหม นี่คือการศึกษาลักษณะที่เรารู้ความเป็นไปเป็นมารู้เหตุความเป็นมาแล้วทําลงไปตรงนี้เป็นวิปั ส, สนาเพราะนั้นเรื่องทางสายกลางเนี่ยจึงกําหนดค่อนข้างยากถ้าไม่มีปัญญาโอ้ทรมาตัวเองเกินไปสุดโตงโอ้สบายเกินไปหย่อนยานเกินไปเป็นกามอะไรเนี่ยยากแต่ถ้าสมมุติเราทําเพื่อการศึกษาเนี่ยมันไม่มีสุดโตงมันไม่มีกาม แต่มันมีความพอดีในตัวของมันอยู่ที่ความเราทนศึกษาตัวศึกษานั่คือตัววิปัสสนานั่นเองท่านใช้คำว่าปัญญาสีขาใช่หม ừ. เพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวมันมีอะไรที่หลากหลายลึกซึ้งมากแต่ถ้าเราไม่แยบขายเนี่ยโอ้ให้การนั่งสังเกตว่าของทีเป็นเรื่องบ้าบ้าบ่ม เป็นเรื่องอาการอะไรไม่ได้ไม่ท่าทำเห็นแล้วเบื่อหน้านี้บบางคนแต่พอเข้าไปลึกซึ้งเราหูมันวิเศษจริงๆที่ท่านได้พูดชีวิตของเราเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยเซลล์ทุกเซลล์เคลื่อนไหวตลอดเวลาเราก็อยู่ด้วยความเคลื่อนไหวถ้า ด, ดินไม่เคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นถ้าน้ําไม่เคลื่อนไหวเลือดไม่เดินอะไรเกิดขึ้นถ้าลมไม่เคลื่อนไหวลมหายใจไม่เข้าออกอะไรเกิดขึ้น มันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงการดำรงชีวิตคือการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเราก็เอาใช้การเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติแต่เนื่องจากว่าเราปัญญายัางไม่เข้มแข็งพอบางครั้งเราต้องการเสพความนิ่งความสงบเสพสุขมันเป็นกามไอ้ความสงบนี่เป็นกามขั้นละเอียดนะเป็นกามของลมเป็นกามอยู่เป็นกามมาพบอยู่นะเป็นรูปพบอยู่ยังติดอยู่ในพบแต่ถ้าหากว่าเรา คอยศึกษาค่อยเฝ้าดูอเรียกว่าพอมันสงบก็สลัดทิ้งไปเลยไม่ต้องให้มันสงบพอทําทํามันไม่สงบก็สลัดทิ้งความไม่สงบไปมาดูให้มันสงบสลับไปสลับมาจนกระทั่งกีเติมันหัวหมุนอะ่ะมันตามเราไม่ทันเออมันทําสงบไอ้ตอนนั้นเมื่อก่อนมันเสพอะเวลาสงบแบบนี้เราเสพแต่วันนี้ทำไมไม่เสลพล่ะพราะรู้เท่าทานัน เออตอนนี้มันไม่ไม่สงบมันฟุ้งซ่านเอาทำไมไม่ฟุ้งซ่านตามฉันนะฉันรู้เท่าทันไ อ, อ้ความฟุ้งซ่านก็หายไปทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าเข้าไปรู้เท่าทันเกิดเป็นปัญญาหมดแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันตัวที่นี้เป็นอุปสรรคพอไปรู้เท่าทันปั๊บกลายเป็นอุปกรณ์เห็นไหมพลิกมิเดียวอะ่ะมันจึงเป็นวิปัสนาดได้ดังนั้นการรู้เท่าทันโดยการเคลื่อนไหวทั้งอยากกลางละเอียด ของรูปถ้าหยาบกลางละเอียดของน้ำให้ชัดแล้วตัวที่สําคัญก็คือคําว่าอาสุภะกับเออคําว่าอทุกข์ขม ส, สุขกับอุเบกขากําหนดตรงนี้ให้ดีเพราะในชีวิตจวนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสบายตลอดหรือหรือทุกข์ตลอดก็ไม่ใช่มันจะฟุ้งซ่านตลอดมันจะสงบตลอดก็ม่ใมันก็สลับกันไปสลับมาหยาบกลางละเอียดแต่ส่วนหนึ่งที่เรามักจะไม่ใส่ใจก็คือมันเฉยเฉย รู้สึกเฉยๆถามว่าเฉยๆแบบไหนเนี่ยแบบอุเปขาหรือแบบอาทุเขมสุขเวทนาถ้าเฉยๆแบบอทุกขมสุขเวทนาเป็นเฉยๆของอะไรของโมหะอวิชชายิ่งเฉยนานเท่าไยก็ยิ่งโง่เท่านั้นเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งเฉยๆเฉยๆแบบรู้เท่าทันอ่ะเฉยๆแบบรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้เป็นเฉยๆของอุเปขาเป็นองค์ของพุทธชงเป็นองค์ของปัญญา นะดังนั้นเขาให้เข้าใจหลายละเอียดอีกแล้วการพลิกการเปลี่ยนการหมุนการเปลี่ยนอีโบดของเราเนี่ยมันจะสนุกมันไม่ใช่ไปเปิดความหมุนหงิดลำคาญมันจะสนุกในการรู้นะมันจะสนุกในการรู้การพลิกการเปลี่ยนกันเคลื่อนการไหวแต่ละครั้งมีความหมายไม่ใช่ทําไปแบบรื้อเปลือยชื้อแฉซึ่งทําให้เร า, าเรียกว่าไม่แยบขายถ้าเราทําไปโดยไม่กําหนดรู้ และความไม่แยบขายตรงนี้เ อ, อ, อ ง, ออองอเป็นอาหารของอวิชชาอ่าม uh, นันมีอาหารนะเพราะความไม่แยกขรายอวิชชาจึงได้อาหารและอวิชชาได้อาหารก็จะเป็นอาหารอวิชชาก็เป็นอาหารของตันหาพอตันหาได้กำลังมากๆกก็เป็นอาหารของอุบาทานอุปาทานได้กำลังมากมาก็เป็นอาหารของกรรกําได้กำลังมากๆาก็เป็นอาหารของกิเลสกิเลสได้กาลังมากเป็นอาหารของ อายุนี่สูงมนุษยิการคือไม่แยกขานมุนกนันอยู่อย่างเนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมบัติเห็นให้เกิดทุกข์นะนะดังนั้นเองเคลื่อนไหวแต่ละครั้งต้องกําหนดว่าให้เห็นขบวนการทั้งหมดไม่ใช่เคลืนไหวแบบพ <c oughs> ี่ๆเปล่าๆ <c oughs> แต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งนะไม่ใช่เพ่งจ้องให้มันเป็นนะแต่รับรู้เท่าที่มันเป็น อะไรเกิดให้รับรู้เท่าที่มันเป็นแล้วมันจะง่ายขึ้นนะเพราะนั้นเองในช่วงการเก็บอารมณ์เอามาถึงนั่งครั้งได้สองชั่วโมงนั่งคัสมาเนี่ยแต่ท่านั่งสองชั่วโมงไม่ไหมายความวาท่านนั่งท่าเดียวตลอดนะหมายความาในท่านนั่งเนี่ยเราจะนั่งคัสมาสักห้านาทีเอาเขาค่อยก่อนที่จะพลิกเปลี่ยนโยคอย่างไงถ้ามันยกไปโดยไม่รู้กลับมาใหม่ดัดสันดานมาหน่อยดักสันดานกี่เล็ ถ้ามันจะไปปั๊บโดยที่ไม่รู้ตัวเแก้กลับมาใหม่เอามาจัดการมื่ขนาดนั้นเลยนะอ่าทีนี้เราเปลี่ยนในรู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถามว่าเพื่ออะไรนี่คือความแยบคายถ้าเราไม่ปฏิบัติตามองของความแยบคายแล้วก็มาถามจะมีความหมายไม่ก้าวหน้ากลับมาเพื่อให้เกิดความแยบคายไหมเอาเปลี่ยนไปขณะที่เปลี่ยนเนี่ยแกขยับยังไงก่อนอะไรขยับก่อนหือกลขยับก่อนที่ใจขยับก่อนไม่แน่ใจกลับมาตั้งต้นใหม่เอาขยับใหม่ดูสิเอาขยับใหม่ แล้วก็พลิกให้เห็นการเคลื่อนไหวให้ชัดนะแล้วขณะที่กายเคลื่อนไหวไปในอะไรหายไปด้วยเอความรู้สึกตึงมิกี่หายไปด้วยอะไรเกิดขึ้นใหม่ความรู้สึกสบายเกิดขึ้นใหม่ในขณะเดียวกันทุกก็เกิดขึ้นใหม่อีกแหละพราะมันเ บ, บาๆทางนี้แต่ท้งนี้เป็นไงหนักใช่ไหมต้งแยียบคลายขนาดนั้นนะอ่าแล้วก็ดูหนักข้งนี้ไปนั่งท่านี้ประมาณสักห้านาทีเจ็ดนาทีตรงนี้เริ่มหนัก ทีนี้หนักเราจะพลิกเปลี่ยนปั๊บมาแยบขายแล้วที่ี่จะให้แยบขายเป็นไงขยับเทเลนิตขยับทเนิตเราเห็นเห็นการอาการของของหนักเหนื่อตัวนี้มันหายไปนะอากาลงไปใหม่อาการหนักไม่กี่หายไปยังไงเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดกลับไปนั่งใหม่อีก แล้กลับมาสักซ้อมแบบนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอาให้มันละเอียดยิบเลยถ้าอย่างนี้แล้วถ้าแยบคายขายนานี้ไม่รู้ไม่มีในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้พิสูจน์มาแล้วคําว่าไม่รู้ไม่มีแต่ที่นี้เราปฏิบัติมาทั้งน้นไม่รู้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะเราไม่แยบคายนั่นคือตัวบทศักิสําคัญของการปฏิบัติความไม่แยบคายคเคลียร์อะโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใหญ่ที่สุดของการ เข้าถึงธรรมช้านั่นไหนาความว่าเราได้พบครูอาจารย์ได้พบกัลยาณมิตรได้พบสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วนะตัวสําคัญคือตัวโยนิโสมานสิการเพราะฉะนั้นการจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหวอะไรเนี่ยอันนี้มันจะต้องได้ระดับนี้ก่อนถ้าเราแย่ล า, ายจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะเอื้อไปสู่จุดอื่นโดยเฉพาะญาติโยมจะหาจุดนี้ได้ยากเพราะอะไรเพราะชีวิตไม่ค่อยเอือ้อ ดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงลัดเฉาเออรลัดไลนฮารไลน์นะอะไรก็เร่งอะไรก็รีบอะไรก็ร้อนไปหมดมันไม่เ อ, อ้ดต่อการที่จะให้เราแยบขายแต่ถ้าเรามีความทั้งใจศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะเราแยบขายได้แยกขายได้แต่พอเราไม่แยบขายจุดหนึ่งมันก็เถินไปจุดหนึ่งไม่แยบขายสมมุติว่าเรานั่งทานข้าวเนี่ย เป็นวิธีการที่ศึกษาเ ย, ยบขายได้ดีที่สุดท่านจึงให้พิจารณาถึงสามวาระไงวาระแรกให้ว่ายะถาไปจะยังใช่ไหมวาระที่สองให้ว่าปฏิสังขายโยนิโสเอาผ่านไปเลยยังไม่ในใจท่านให้ว่าอชมายาอีกในช่วงทานอาหารแต่ว่าถามว่าใครที่เคยแยบขายเรื่องกินอาหารจริงๆมิงไนอกจากไม่แยบขายแล้วก็ยัง ฟุ้งซ่านเวยนะ <c oughs> คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงชงเชงไปนี้ความแยบคายไม่เหลือหลอเลยท่านให้พิจารณาถึงการเคี้ยวพิจารณาถึงการกลืนพิจารณาถึงรสที่แตะเข้าไปพิจารณาถึงรสชาติของอาหารที่เข้าไปเนี่คือความแยบคายสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครฝึกเราได้เลยนอกจากตัวเราเองแต่พระพุทธเจ้าท่านเจอ ตรัสได้ละเอียดเลยลึกขนาดไหนท่านก็ช่วยเราได้ห้าสิเปอร์เซนอีกห้าสิเปอร์เซนตอยู่สถัทาของเราเราจะทํำไหมอยู่กับปัญญาของเราเราจะเอาจริงไหมนะอันนี้สาเหตุของการปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าสาเหตุของการลดละเลิกได้ชัดหรือไม่ชัดมันอยู่ที่ความแยกขายเพราะความแยกขายเราจะไปเห็นเหตุหของทุกขไปเหตุของการไปเหตุเห็นเหตุของสุขไปเห็นเหตุของ การมีปัญญาเป็นเหตุของการไม่มีปัญญาความแยบคายจะบอกเราได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการไม่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าโทษอย่างเดียวว่าเพราะคุณไม่แยบคายเพราะคําว่าไม่แยบคายเนี่ยเป็นสุดยอดละเพราะอย่างอื่นมันจะเป็นไปหมดเพราะคุณไม่เชื่ออาจารย์เพราะคุณไม่เชื่อวิธีการเพราะคุณไม่มีศรัทธาเพราะคุณไม่ตั้งใจเพราะคุณขี้เกียจมันจะระเบิดระเบิดไปหมดเลยแต่ฐานมามาจากตัวเดียวคือความไม่แยบคายใช่ไหม แล้วอย่างอื่นเป็นปลาเหตุทั้งหมดแต่ต้นเหตุคือความไม่แยบคายเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่รักตัวรักใจรักชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาของจริงจริงๆอย่าไปทําเล่นๆกับชีวิตเพราะชีวิตมันผ่านไปแต่หน้าทีมันเอาคืนไม่ได้ไปเล่นกับมันไม่ได้เพราะมันหมายถึงความตายเดินใกล้คํามาสู่ชีวิตเขาลงทุกข์ขนาดแต่ถ้าเราตายด้วยความ อบอิ o, no no ่มด้วยความสงบด้วยความพอใจด้วยความพร้อมเนี่ยนั่นคือผลของความแยบคายทั้งชีวิตของเราแต่ถ้าเราตายด้วยความสงสัยด้วยทุกขเวทนาด้วยอทรมานด้วยความไม่ได้สติด้วยความขุนมัวเศ้ามองนั่นเป็นผลของความไม่แยบคายตลอดชีวิตของเราเราจะไปประมวลผลเอาสุดท้ายได้ไหมไม่ได้ไม่ทันแล้วเราต้องเตรียมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในชีวิตที่เตรียมไปสู่นั้นเรียว่าชีวิตที่ไปสู่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่เราจะไปเตรียมตอนที่เราจะตายจะป่วยไม่ใช่ต้องเตรียมไปณบัดนี้เลยขณะที่เรามีสติสัมยาพปกติแต่ถ้าหากว่าเราไปเตรียมตอนแก่ๆสติสัสมยาเลือเล่อนๆไปไงเอาไม่ได้แล้วหมดสภาพนะดังนั้นในช่วงที่สติสัมยา เ, เราเข้มแข็งอย่างชัดเจนขอให้เข้าใจดังนั้นในช่วงเช้านี่เราสวดเรื่องเวทนาแล้วก็พูงถึงเรื่องจิต ด, ด้วยที่เราพูดถึงเรื่องจิตเมื่อกี้ท่านนำสวดถึงสองบทเลยเดีย ว, ว่า พอไปเรื่องจิตท่านแยกเป็นทั้งอะไรสราคังวีตราคังสะโทสังวีตัโทสังสะโมหังวีตะโมหังสังหิตังวิหิตังมาคัตตอามาคัตตสอุตรังอนุตรังสมาหิตังอสมาหิตังวิมุตตังอวิมุตติบหวาระของจิตละเห็นไหม ทีวมามีกี่ถึงสิบหกขณะว่าแต่สิบหกนี่รวมแล้วเหลือสามคืออันไหนที่เป็น ส, สาราคังวาสะโทสังวาสามูหังวาสังหิตังวิกิตังอมามหกะตังอนุตตรังแล้วก็อาสมาหิตังอวิมุตตังพวกนี้เป็นฝ่าย อกุศลแต่ส่วนที่เป็นวีตาละคังวีตโทสังวีตโมหังมหาคตังแล้วก็สัุตรังสมาหิตังวิมุตตังเป็นฝ่ายกุศลรวมแล้วเหลือใค่สองเห็นไหมทั้งสิบหกแลรวมเหลือแค่สองคือฝ่ายกุศลอกุศล น, นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าให้พิสดารก็ได้ถ้าจะว่าให้ย่อที่สุดให้ย่อที่สุดเพื่ออะไรเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติ แต่ถ้าเราไปสนใจและเอียดสูง e นี่เราปฏิบัติไม่ถูกสับสนใช่ไหมท่านก็ยอ่อเหลือให้สั้นที่สุดเวทนาที่ขยายไป็วนวิีขีดเป็นทั้งท่างี่สิบแปดขนาดมาเล่าเหลือสามใช่ไหมเริม่มเลยสุขขังเวทนานังทุสุขขังทุกข์ขังสุข์มัสุ ข, ขั ง, ขขงา ส, ข ส, ขส า, ม, สงา ม, มิสังนิลามิสังไปเรื่อยไปถึงสิบแปดขณะยอ่อเหลือสามคือเวทนานี่บางครั้งเราก็ดูที่ว่าตายหมดเราที่หมดที่ แต่บางครั้งเราก็ออมุกคิดใจก่อนฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องคิดกันไหนก่อนว่ากายหรือว่าใจฮะโย ม, มเวลาแต่เราเท่าไม่เหมือนกันไม่ถามก่อน <c oughs> เวลาจุดเทียนเคยจุดเทียนไขไหมค่ะเคยค่ะโยมดูที่แสงเทียนไขหรือที่เล่มเทียนไขหรือที่แสงสว่างของเทียนไขหรือเปลวเทียนไขเวลาโยมจุดขึ้นมาดูโยมอยู่ส่วนไหนเปลว พอติดพอติด้จพอเปลติดพอจุดขึ้นปั๊บโยมมองดูแต่เปลวเหรอไม่ต้มองซ้ายก่อนแล้วเอาไมดไปใช่แล้วหลังจากนั้นนะแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นไฟติดขึ้นมาใช่แล้วหลังจากนั้นนะก็เห็นเปลวเปลวมันมันมันมันลอยไปตามนั้นหรือเปลวมาอยู่ที่เดิมที่เดิมะอะไรเลยที่มันอยู่ข้างๆอะไร เมื่อเปลวเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏข้างๆคืออะไรลัศมีมันเขาเรียกอะไรแสงเทียนแสงเทียนที่เกิดจากเปลวเปลวเกิดจากเทียนเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ดูทั้งเปลวและไม่ได้ดูทั้งเทียนแต่เราแสงมันเพื่ออะไรเพื่อได้เห็นสิ่งนี้ใช่ไหมพอมาปิดไฟลงปั๊บเนี่ยมาไม่ได้ไปดูแสงไม่ได้ดูไปเปลวไฟตรงนั้นไม่ได้ดูหลอดนะแต่มากำลังดูตรงนี้แต่เราจะเห็นตรงนี้ได้เพราะอะไร เพราะแสงใช่ไหมเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกเวทนาเกิดขึ้นไม่ต้องไปตามดูมันเกิดจากลูกหรือมันเกิดจากน้ำแต่อาการของมันเหมือนแสงอาการมันจะบอกว่าอันนี้คือสุขหรือทุกข์แค่ตรงนี้ไม่ใช่มาดูตรงแสงไม่ได้ไปดูตรงต้นเทียนไม่ได้ดูตรงลูกไมได่ดูตรงน้ำแต่ดูอาการเข้าใจไหมไมได่ดูแสงเทียนไม่ได้ดูต้นเทียนแต่ดูสิ่งที่แสงกระทบคือเราต้องการอะไร เข้าใจยังนั่นเห็นไหมเนี่ยถามแล้วเกิดปัญญาถ้าไม่ถามไม่รู้แล้วเข้าใจอย่างไง น, นี่ประโยชน์ของการมีกิริยานมิตคือประโยชน์ตรงนี้คือซักไซส์เข้าไปถึงจุดของมันว่าเราต้องการอะไรการที่ไม่มีกิริยานมิตมันเป็นไปได้ยากตรงที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์เราก็มัวมัวไปตามเสรีปัญญาของเรานนัแหละซึ่งมันไม่ไปไหนเนี่ยเราจะมาโทษว่าวิธีนั้นไม่ดีที่วิธีนี้ไม่ได้เพราะเราขาดอะไรความแยบคายเท่านั้น ทุกวิธีการถ้าเราแยกข่ายไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นพุโทโธเสมาละหังเนอขึ้นไหวไปได้หมดแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเพราะขาดอะไรความเยีกข่ายนะความเยีกข่ายดังนั้นอย่าลืมจุดนี้เยีกข่ายต้องเกิดขึ้นที่เราไม่ใช่เกิดที่คําพูดของอาจารย์บางทีอาจารย์พนพูดตรงถูกหมดทุกอย่างแต่เราเอาไปใช้ไม่ถูกใช่ไหมเพราะเราขาดความแยกข่ายบอกรล้าดความแยบขายเฉพาะเราในห้าสิเปอร์ซ็นอาจารย์ท่านถูกแค่ห้สิเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเอร์ แต่ความแยบคายของเราแต่ไอการที่เราจะแยบคายได้ขึ้นขึ้นองค์ประกอบอีกห้าอย่างหนึ่งต้องมีศรัทธาอย่างเข้มขน้นสองต้องมีความเพียรสามต้องมีสติสี่ต้องมีสัพพิธห้าต้องมีปัญญาความแยบคายถึงจะเกิดถ้าคุณคิดจะแยบคายมันไม่ประกอบด้วยองค์ห้ามันแยบคายไเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพอมันเบื่อมันก็เลิกแต่ถ้าประกอบด้วยองค์ห้ามมันจะแยบคายแบบยั่งยืนมันจะแยบคายทุกเรื่อง พราะประกอบด้วยอินทีห้าพระรหา่าและอิทิบาสสี่แต่ถ้าหากไม่ประกอบด้วยอีห้าพระอิทิบาสสี่มันก็แ ย, ยบคลายเดียเด๋ยวเด๋วเดี๋ยวมันก็เลิกเพราะอะไรเพราะศรัทธาและความเพียรไม่มั่นคงเนี่ยตรงนี้เอาไปพิจารณานะดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็คิดว่าให้รายละเอียดเพียงแค่นี้ในเรื่องของเวทนาและเรื่องของจิตเอาไปตรวจสอบนะไม่ต้องอไปคิดอะไปสรวจสอบอาการที่ปรากฏขนาเ น, นี้ย แล้วก็จะเห็นในสิ่งที่บางทีเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ปรากฏนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าภาษามันใช้เยอะเราไม่ต้องไ ป, ไปลงภาษาไม่ต้องไปดูหลอดไม่ต้องไปดูเปลวแต่ดูที่แสงของมันคือดูที่ความเข้าใจของเรามันเปลวมันแสงนะเราควรมุดหนาสาดด้วย